ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสัจจบ ร, รมีที่นำเสนอมาโดยลำดับนั้นยังมีประเด็นที่กวรแก่การทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภาคสนามภาคที่เราจะนำมาสู่การประพฤติปฏิบัตินั้นลักษณะของสัจจบ ร, รมีเป็นอุปการธรรม คือหมายความว่าเป็นธรรมะที่สนับสนุนกิจกรรมทั้งหลายเป็นนันมากและในขณะเดียวกันบางครั้งก็ทำหน้าที่อิสระคือเป็นบา ร, รมีด้วยตัวเขาเองโดยมีบา ร, รมีเหล่าอื่นเข้าสนับสนุนแต่ว่าการใช้สัจจะนั้นเมื่อมองในภาคของการปฏิบัติเราจะเห็นว่า มันต้องมีสติปัญญาเป็นตัวนําขึ้นมาก่อนลักษณะเดียวกับฉันทะในอิสิปัตคือการปลูกฝังความพอใจนั้นปัญหาสําคัญว่าถ้าเราเกิดไม่ชัดเจนในเรื่องที่เราปลูกฝังความพอใจแล้วเมื่อพอใจไปแล้วก็เพียนพยายามก็ผิดมอบความมุ่งมั่นก็ผิดแล้วก็จะเกิดความสับสนในด้านข้อมูล มันจะเกิดความเสียหายในภาคสนามหรือภาคการปฏิบัติถ้าเรามองตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติศาสตร์ของอารยันเรามีคำที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่คำหนึ่งว่าเป็นกษัตริย์สั์แล้วไม่คืนคำก็หมายความว่าแม้จะเกิดพลังพลาดอะไรไป แต่เมื่อสัตแล้วก็ต้ อ, ตองประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็มีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากเช่บนบรรพชนของพระพุทธเจ้าเองคือพระเจ้าโอกาก า, กากราตอารามที่ท่านเกิดดีพระไทยที่ระเมสีใหม่ประสูตริพระราชโอรส ท, ทางที่ ทรงมีพระรจ้าโอรสพระราชธิดาอยู่เกอะหน้านั้นทั้งเก้าองค์เป็นราชธิดาห้าองค์เป็นราชโอรส ถ, ถึงสี่พระองค์แต่เมื่อพระเมษีพระองค์ก่อนที่วงคตไปท่านก็ได้เมษีใหม่ก็แสดงว่าประชนพันสาก็มากแล้วแล้วก็ได้เมษีใหม่ซึ่งเป็นสาว พระนางก็ระสูตรพระราชโอรสก็คงจะดีพระไทยแบบคนแก่มีเมียสาวก็พลังพระวาจาพระราชทานพรให้พระนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์ก็มาความมาขออะไรก็ได้การพูดอย่างนี้ที่จริงมีความเสี่ยงสูงในประวัติศาสตร์นั้นยังไม่เคยพบ ก, การขอชีวิต คือถ้าเขาเกิดขอชีวิตขึ้นมาจริงๆเราต้องรักษาสัจจะนี่คงจะต้องให้เหมือนกั น, นรัตนเจ้าโอกาะกาการาชก็ต้องรักษาสัจจะตรงนี้แต่ว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้แกพระราชโอรสรชาชติดาซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกตั้งเก้าหลวงให้ออกไปสร้างบ้านสร้างเมืองกันดูใหม่ ก็กลายเป็นราชรวงศ์ศักยะและราชรวงศ์กุรุยะในการต่อมาถึงท่าว่ามองในแง่ของการขยายนาาเขตมันก็ดีเป็นเรื่องหนึง่งแต่ถ้ามองในแง่ของความยุติธรรมนิติประเพณีมันก็ผิดความยุติธรรมแล้วก็ผิดนิติประเพณี ต, ตามปกติแล้วในยุคสมัยตรงนั้นรา ระเชศถโอรสเนี่ยรโรถองตจะต้องเป็นกษัตริย์แต่ว่าปรากฏว่าผ่านรชประเชศทาปกินีประเชศทพาดาไปถึงตั้งเก้าพระองค์พระจามารอ ง, งน้อยก็กลายเป็นปกครองแผ่นดินแต่ในการต่อมาบ้านเมืองชื่อยังไงเนี่ยไม่ได้แสดงไว้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันว่าอาจจะเอาตัวเองไม่รอดเพราะว่า คนก็คงตามเสด็จพระเจกุมารพระเจกุมารีมาสร้างพระนครใหม่กันหมดเป็นส่วนส่วนมากนะฮะถ้าเรามองในแง่ของความคุกพันทางสายเลือดแล้วเนี่ยพาเการในช่วงต่อมาก็น่าจะมีการติดต่ออะไรกันแล้วก็น่าจะมีบุคคลในสายนั้นเกิดขึ้นปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาบ้างเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะฮะ อ ก, กระดับหนึ่งก็คือวันอักดีเรื่องรามเกียรติเราจะเห็นว่าท้าทดสรุเนี่ยได้พระราชทานพรแกนางกายเกษีในเมื่อพระองค์ทําสงครามรุสิกาสูนแล้วก็ล้อมันเกิดเปล่ะหักนางก็กระโดดลงไปเอาบาในยันเปลารถไว้รถก็ตรงได้ก็ทำให้พระองค์พิชิตขาดสึดได้ ก็ดีประทไทยที่รอดชีวิตแล้วก็พิชิตขา้สึกก็เลยพระราชทานพรให้พระนางกัยะเกษสีเลือกสิ่งที่พระนางต้องประสงค์และในการต่อมาบทพอจะขอพอรขึ้นมาเกิดขอราชสมบัติให้ประพทุทธครองอายุทยาแทนพระรามมันก็กลายเป็นปนัญหายืดเดยเือเรื่องรอามเกียรติ พระามเองก็เพื่อรักษาสัจจะวาจาของพระชนกแล้วท้าวทศรถเองก็เพื่อจะรักษาพรที่พระงพระราชทานใหแกนางกายเกษีในที่สุดก็ต้องจำใจให้พระรามพระลักษณ์นางศีดาต้องออกไปจับมือพวกพระพุท์พระสตรดเองก็เดือดร้อน ในการที่ระเชิดถาพนาต้องไปอยู่ป่ากัาอย่างที่เราทราบกันนะท่านเองก็ไม่ได้เป็นไปจะเป็นดินหรอกแต่ไม่กล้าเป็นต่อฉจองพระบาทพระรามเนี่ยตั้งไว้แทนแต่ในขณะเดียวกันเท่าทสรดเองก็ตรองพระถ่ายจนสิ้นพระชนมาก็เราเห็นว่าไอ้สัจจะวิจาแบบเนี้ หรือสัจปฏิยานในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวมันเกิดความเสียหายที่ติดตามมาเยอะเลยแกหรือแม้ตัวอย่างในชาดกที่เล่าถึงเรื่องมหิสสะชาดกเราถึงพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นราชกุมารชื่อมหิสสสะสัแล้วก็มีพระนุชาชื่อวจันทรกุมาร คล้ายๆกับเรื่องพระเจ้าโอุกกาการาตต่อมาพระชนนีที่วงคตพระราชบิดาก็ได้บำเระเมสสีใหม่แล้วก็ประเมสีใหม่ก็ประสูติพระราชโอรสพระราชากพรังพระราจาพระราชทานพรให้พระนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์เหมือนกันและในการต่อมาเมื่อพระราชโอรสของพระนางเจริญพระชนมัพรษาขึ้นพอสมควรก็เรียกวปสุรยักกุมาร พนางก็เกิดทวงพรขึ้นมาโดยขอราชาสมบัติให้แก่ราชวงศของพนางประชานะชาเองทําให้พระราชทานก็ผิดสัจวาจาที่ให้ไว้แต่เมื่อพระราชท า, านแล้วก็ส่ง ม, มองเห็นว่าอันตรายมันเกิดขึ้นคื อ, อยังนึกสมมติฐานว่าแผนได้ท่านวางเอาไว้เนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่า ท่านจะให้ทำยังไงในโอกาสต่อไปสมมติว่าเป็นไปตามแผนที่ท่านวางไว้นะฮะคือท่านเรียกพ ร, โระโอรสเชษดถาโอรสสองพระองค์คือไมสาสะกุมารกับจันตะกุมารมาแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าชีวิตของลูกทั้งสองนั้นอันตรายอาจจะถูกพระเทวีจ้างวานใครฆ่าจ ะ, ะได ท่านก็ให้หลบไปอยู่ป่าเสียสักสิบสี่ปีก็คล้ายๆประหลาดอันนี้ความคิดในเรื่องอารยันนะ่ะเราก็นึกไม่ออกเพราะเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้ว่าท่านคิดยังไงของท่านไอ้สิบสปีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นสมมติว่าในกรณีเนี่ยคือถ้าเป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้กว็หมายความว่าสุเรกุมานได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วพอสิบสี่ปีเนี่ย พระเจ้าถาทั้งสองพระองค์จะมาแย่งราชสมบัติหรือจะใช้สิทธิอะไรจะเอากำลังทหารมาจากไหนแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรอีกเป็นอันมากแต่พอดีแผนที่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นท่านนั่นเองเพราะว่าเมื่อราชกุมารทั้งสองต้องอพยพหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ย สุยากุมารรูข้ข่าวเข้าทราบเรื่องกลิ้วมากกลิ้วพระชนนีมากที่ไปทําให้พระเชษฐาต้องหนีเข้าป่าท่านก็ไม่ยอมขอให้พี่ทั้งสองกลับถ้าไม่กลับท่านไปด้วยมันก็เกิดสัจจะซ้อนสัจจะขึ้นมากหมายความว่าไอ้พระเจษฐาทั้งสองพระองค์ในรัตสัจจะปฏิญาณกับพ่อเอาไว้ว่าจะหลบไปอยู่ในป่าสิบสี่ปีแล้วค่อยกลับมาใหม่ โดยท่านก็คาดหวังว่านะดูแล้วดูข้าวความเนี่ยท่านคาดหวังว่าท่านจะที่วงคตในอีกสิบสี่ปีขา้างหน้าและลูกมารับราชสมบัติมันก็ไม่ค่อยซื่อตมโทหรมเหมือนกันในอนาะคสุริยกุมารก็มันเกิดสัจจะซ้อนสัจจะเหมือนกันถ้าพี่กลับก็จะขอกลับแต่ถ้าพี่ไปก็จะไปโดยเอาล่อสิทธินี้ยุ่งเลย เห็นมสองพระองค์ก็กลับไม่ได้เพราะว่าให้สัจจะปฏิยานไปแล้วน้องชายก็ไม่ยอมเพราะว่ายืนยันในสัจจะตัวเองเหมือนกันในที่สุดก็ต้องไปกันทั้งสามแล้วก็ในการต่อมาเนี่ยก็ไปเจอปัญหาอะไรต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าราชกุมารทั้งสามพระองค์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีบารมีสูง แล้วก็ผ่านพน้นอุปสรรคอันตรายมาได้ก็จบลงที่มิซาสกุมารก็กลับมาเป็นกษัตริย์เมื่อ ร, ราชบิดาที่วงคตท่านก็คงอยู่ป่ายอย่างนั้นแล้วก็เมื่อก็ให้จันทกุมารเป็นอุป ร, ราชและก็สุยกุมารเป็นเสนาบดีแต่ละทั้งหมดเนี่ยลองสังเกต ด, ดูว่าสัจจะทั้งสามราชวงศ์ ที่ได้ให้ไว้ในลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องคนคนหนึ่งที่ต้องการรักษาสัจจตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรลงไปหรือให้ให้สีให้พร อ, อะไรใกล้ๆอย่างไรเนี่ยคือไม่ได้คิดใ้รอรบขอบแล้วพอค อ, อพรขึ้นมาปัญหามันไปกระทบที่คนอื่นในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง ก็ยังหลายเรื่องกันนะแต่ยกไปอย่างให้เห็นเช่นะเจ้ากรุงอาลวีไเจ้ากรุงอาลวีนั้นก็เที่ยวลาดสัตว์แบบกษัตริย์สมัยโบราณนะชอบเข้าป่าลาดสัตว์แล้วพอดีมันไปเกิดตกลงนัดหมายกันไปว่าตีวงล้อมสัตว์เอาไว้แต่สัตว์ออกในด้านใครคนนั้นก็ถือว่าผิดถูกลงโทษ พอดีสัตว์มันออกด้านทันท่านก็เกิดคตยิยมานะขึ้นคั่ควมา้าไล่เลยไล่ก็เตลิดไปใหญ่แล้วเข้าไปอยู่ในแดนของยักษ์ชื่ออาโลไปยักษ์ยักษ์ก็ได้พรจากเทวีสุวรรณว่าสามารถจับคนที่เข้ามาอยู่ในแดนตรเ น, นี้ยกินได้แต่วท่านก็เกิดกลัวตายขึ้นมาท่านก็บอกว่า จะกินมื้อเดียวหรือว่าจะกินทุกมือดีละ่ะแล้วก็บอกว่าจะกินทุกมือเดี็กก็ได้ก็ดีตกลงว่าท่านบอกว่าท่านก็เป็นพระราชาก็จะส่งคนมาให้กินวันละคนให้อาเรกระยักนี่กินวันละคนก็ตกลงเสร็จแล้วมันมันแสดงเห็นถึงความเบี่ยงเตัว สัจจะอย่างเนี้ยเป็นสัจจะปฏิญานจริงแต่ว่าเห็นแก่ตัวเพื่อตัวรอดจะ่ในสุดตั้งก็จะ ก, การส่งนักโทษประหารเนี่ยให้มาให้ยักษ์กินส่งกันไปส่งกันมาในที่สุดมันก็ต้องไปที่จับคนหรือจ้างคนให้นําอาหารไปให้ยักษ์นะบอกให้นำอาหารแด่ยักษ์แต่ว่าไม่เคยกลับมาไปยักษ์ไปกินเอาคนไม่จะกินเอาอาหาร และในที่สุดต้องจบลงที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาปราบเองเลนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในภาคสนามแล้วเนี่ยสัจจะไม่ใช่เรื่องตั้งง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสัจจะวาจาสัจจะปฏิญญาสัจจะปฏิญาณสัตยาธิฏฐานสัตยาธิฏฐานที่จริงไม่ค่อยมีใครรู้นะครับเราตั้งกับเราเอง แต่เราก็รู้ถ้าเราผิดเราก็รู้ว่าเราผิดอย่างเช่นที่ตอนพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนต้นไทรไม่ใช่บนต้นโพเออใต้ต้นโพเนี่ยก่อนยะสัสรู้ก็มีลักษณะเป็นสัตยาทิฏฐานแต่ประกอบด้วยจตุรงคมกาประทานคือองค์ธรรมหลายข้อนะฮะแต่ว่ารูปมันสัตยาทิฏฐานเพราะว่าท่านประทับอยู่พระองค์เดียวไม่ได้พูดจาอะไรกับใคร เนมโนปนิธานที่มุ่งมั่นว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะหือดแท้งไปยังเดนตนไังเอนกระดู ก, กระตามทาไมได้แต่สรู้ธรรมก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะมันมีลักษณะเป็นสัจยาทิฐานแต่ในสุดพระองค์ก็ทําได้แต่ว่าแนวสัจจะวาจาก็ดีสัจจะปฏิ ญ, ญาณก็ดีสัจจะปฏิญญาก็ดีมันมีคนรับรู้แล้วบางครั้งมันไปผูกพันกับคนในคนหนึ่งนหรือคนเหล่านั้นสามารถจะทวง จะทสัจจะวาจาสัจจะปฏิญาหรือสัจจะปฏิญาเนีได้แต่นั้นภาคสนามเนี่ยถ้าเราไปมองถึงธรรมะชุดหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกว่าอธิฐานธรรมคือธรรมะที่เป็นฐานของจิตหรือฐานชีวิตคือเป็นเรือนของจิตจะทรงแสดงปัญญา น, นําไว้ธรรมะพวกนี้มันคล้ายๆกับพวกศรัทธาพวกอะไรเหมือนกันนะคือเราจะเห็นว่า อย่างศรัทธาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับฉันทะคือถ้าเราขาดปัญญาในการมองในการตรวจสอบในการคิดเนี่ยมันก็อาจจะศรัทธาไิเฉยๆและไม่สู่ก็ง ม, มงายแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือเขา่าอย่างข่าวคราวที่ปรากฏมาจากต่างประเทศเราเจ็นว่าแนวพวกนี้ส่วนมากมันจะนับถือศาสนาเทวนิยม แล้วก็หนักไปทางคิดมันไม่ใช่โปรโตัตตัและไม่ใช่โรบันเคเทลิกมันเป็นลทัทธิใหม่ๆแต่ก็ถือว่าตัวเองก็เป็นคิดที่ฆ่าการจิมโจนที่การนุ ญ, ญาอะไรอะไร ท, ที่แล้วก็ที่อุกันดาที่ตายไปเนี่ยก็มีลักษณะอย่างไง้เ็ตเมื่อวระศรัทธามันขาดปัญญาเป็นตัวนำไปก่อนวิชาสธานนำไปเลยแล้วก็ ตัวเองก็ไม่มีความชัดเจนในตัวคนในตัวบาดหลวงและในตัวอาจารย์ที่สอนเนี่ยในสุดประจบลงด้วยการตายเพราะพระเจ้าจึงวางไว้เป็นสามสามสีช่วงจังหวัดตรงใช้กำบาลีว่าปัญญาณับประมัติชยะายือประมาทในการใช้ปัญญาก่อนจะฉันทะก่อนจะพอใจก่อนจะศรัทธาก่อนจะรักก่อนจะเชื่อ ก่อนจะตั้งสัจจะเนี่ยหรือก่อนจะขันติอะไรก็ตามเลยนะมันต้องใช้ปัญญาตรวจสอบซะก่อนมันจะต้องมองเห็นว่าอะไรอย่างไรทําไมเพราะเหตุใดได้ประโยชน์อย่างไงคือจะมองมองเห็นที่ตัวประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะสัจจะบางอย่างมันเอาตัวเองไปเข้าตาแรงแกงแล้วก็สร้างปัญหาคือดึงคนอื่นมาให้ให้เกิดปัญหาด้วย เป็นการแสดงถึงขาดความรอบครอบขาดความรับผิดซอบแล้วในฐานะที่เป็นหน่วยของสังคมเนี่ยะคือสัจจะ บ, บางเรื่องเนี่ยมันมันกระเทือนมันก็เทือนต่อนคนอื่นเช่นสมมุติว่าระดับของราชการระดับของรัฐบาลแล้วก็เกิดสัจจะอะไรไว้ตกลงสนที่สัญญาอะไรกับใครว่าก็คือแนวสัจจะเหมือนกันถ้าขาดความรอบคร อ, อบขาดความคิดขาดการมอง าการอภิปรายที่มีความชัดเจนนะนะใช้ภาษาภาษาที่รัดกุมไม่มีช่องว่างให้เกิดตีความใหม่ได้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดบกพร่องขึ้นมาแล้วก็หาความจุดโบกจุดบอดของกฎหมายขึ้นมาแทรกขึ้นมาสักตอนก็ยุ่งเหมือนกันน่ะมันก็เหมือนกรณีเขาพระวิหารน ะ, ะเราเห็นว่าที่เรารับรองเนี่ย ถ้เบี้ยงเขาฟ้องเนี่ยเราก็ไปรับเนี่ยเราก็คิดว่าเราชัยชนะมันมองมุมเดียวคือมุมที่ชนะแะต่ผลท้ายก็แพ้แพ้ก็โยนกันไปโยนกันมานะฮะอันนี้ก็คือบทเรียนทั้งหมดที่จริงมันก็เป็นบทเรียนว่าเรื่องางเรื่องเนี่ยเราไม่ทําก็ได้อย่างบางค้ั้งบางล่าวเช่นที่เราพูดว่าพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำหนิของ ก็มาความมาเรื่องบางเรื่องไม่พูดซะก็ได้แต่มันจะมีปัญหาขึ้นมาปัญญามกรยาธรรมหน้าที่สอดส่องมองแยกแยะอะไรชัดเจนแล้วก็หาข้อยุติคือกว่าจะจะพูดอะไรลงไปเนี่ยอย่าให้ลิ้นพังคอตัวเองอยังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเป็นนายของคาพูดคือเราจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่พอพูดออกไปแล้วเนี่ย คำพูดมันจะเป็นนายเราเราเองก็จะต้องปฏิบัติได้เป็นไปตามที่พูดเอาไว้ท่านจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทเรื่องการใช้ปัญญามองรอบข้อรอบด้านทุกแง่ทุกมุมหาข้อยุติที่เป็นหลายลักอักษรนะถ้าถึงระดับสัจจะปฏิญาณ ถ, ถึงสัจจะวาจาถึงสัญญาหรือแม้แต่สนธิสัญญาอะไรต่าง่งอย่างนีน คือแต่ละรเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเซ็นเซนเขียนเขียนลงไปเพราะว่าความรับผิดชอบบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เด็กแล้วปัญหาว่ารับผิดชอบได้หรือไม่ทีนี้สัจจะนี่ถ้าตั้งไว้แล้วในะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนการสาปนาปูกป่ามันง่ายก็ตั้งสัจจะนี้มันง่ายแต่รักษาเนี่ยมันยากคนทํา ย, ทยังไงจึงจะ ผ่านการกลันกรองการตรวจสอบการพินิจพิเคราะห์การเทียบเคียงหาข้อยุติแล้วก็ทุกวันเนี่ยมันเป็หลายหลักอักษรระบางเรื่องหรือแม้แต่สัตยาทิฏฐานซึ่งไม่มีใครรับรู้ก็เหมือนกันก็ต้องมองให้ดีคือถ้าตั้งไปแล้วแล้วก็ทําไม่ได้เราแก้ตา่างแก่ตัวเองได้ในที่สุดก็จะกลายเป็นคนมักง่ายอุจจาระสัท ให้สัจจะปฏิญาณสัจจะปฏิญญาสัจจะวาจาเรื่อยๆหรือว่าตั้งสตยาธิฐานเรื่อยๆแล้วก็รักษาไม่ได้เรยๆในสุดก็กลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรไปเพราะนั้นพอมาถึงสัจจะที่มันผ่านการกันรองมาดีแล้วนะฮะก็รับสั่งว่าสัจจะมนุรักษเคยยาให้ตามรักษาสัจจะหมายความว่าไม่ออกนอก รอบของสัจจะเท่านั้นไม่ออกนอกรูปนอกถางเมื่อตั้งสัจจะไว้แล้วก็มีความแน่วแน่แคล้ายกับการโคโจรของดวงดาวทิตตันอุปมาไว้เนี่ยไม่ออกจากวิถีทางเส้นโคโจรคือรักษาเส้นทางของตัวเองไว้ตลอดไปเป็นหลักการที่จะต้องมีพื้นฐานใจที่หนักแน่นมั่นคง เพราะบางเรื่องเนี่ยมันมันผูกพันนานบางเรื่องก็อาจจะไม่นานนะครับแต่ว่าบางเรื่องนี่นานบางเรื่องมันชีวิตทั้งชีวิตเลยซึ่งการรักษาไปเจ อ, อประสรคขวากน้ําลุมบ่ออันตรายขึ้นมาเนี่ยบางครั้งบางคราวอาจจะรักษาไม่ได้แต่เมื่อผ่านขั้นตอนโดยในยะดังกล่าวแล้ว เ, เรารับผิดชอบได้แล้วก็มีความต้นเนื่องต้องฟังกันเลย แต่ลงมาบทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมชุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี